ขอละธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่22ทางทีมงานได้คัดบทความจากการตอบปัญหาธรรมะในเว็บไซต์ lan ธรรม .net โดยพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชว์ซึ่งตอบไว้ในสมัยที่ยังเป็นคารวาสนะครับตอนนั้นท่านใช้ชื่อว่าสันตินันสําหรับฉบับนี้ขอสรุปคําถามสั้นๆให้ฟังดังนี้นะครับการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือยากพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาไม่อยากเกิดอีกแล้วอยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ผูส่และจิตเกิดยากจึงทำให้คนที่ไปเกิดในสุคติภูมิน้อยใช่ไหมโมหะน่ากลัวยังไงบทสวดก่อนนอนและบทสวดเกี่ยวกับการป้องกันภัยและผีผีจริงๆนี่ทำอันตรายคนได้หรือเปล่าและคุณใส่ในปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับ ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่22โดยสันตินันหรือพระปาโมทป่าโมโชในปัจจุบันถามการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากครับ สำหรับผมเองก็ยังเห็นอยู่นั่นเองว่าการปฏิบัติธรรมไม่ยากถ้ามีสัมมาทิฏฐิแต่ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็ยากมากเพราะธรรมะอยู่ที่กายที่จิตเรานี่เองแม้แต่สิ่งแวดล้อมภายนอกก็ล้วนประกาศธรรมอยู่เป่าๆตลอดเวลาเช่นกันผมยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งครับคราวหนึ่งผมเดินทางไปกราบหลวงพ่อพุท ธ, ธนิโยระหว่างทางเดินผ่านกองมูลสุนัข กองเบืเริ่มเลยมีหลายกองส่งกลิ่นรุนแรงมีสีเหลืองเขียวแดงมีมแมลงวันใหญ่ๆบินว่อนตอมูลสุนัขพอเดินเข้าไปใกล้มันก็บินจะมาตอมผมจิตใจขณะนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนเป็นกําลังบกปัดมแมลงวันวุ่นไปหมดพอจิตระวังสนใจมูลสุนัขจิตก็พุ่งออกไปพิจารณามูลสุนัขนั้นโดยอัตโนมัติจิตประจักษ์ชัดว่า กลิ่นเป็นส่วนหนึ่งสีเป็นส่วนหนึ่งตัวมูลสุนัขเป็นเพียงธาตุเหมือนกายเรานี้เองไม่ได้ศกระปรกอะไรเลยพอจิตเข้าใจเช่นนั้นจิตก็ตัดกระแสความรังเกียจขาดหมดมีแต่ความสงบเบิกบานตื่นตัวพอถึงกุติกราบหลวงพ่อแล้วเราให้ท่านฟังท่านก็สอนสรุปว่าถ้ามีปัญญาเสอย่างเดียวแม้แต่มูลสุนัข ก็แสดงธรรมะให้ฟังได้เราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอเพียงรู้ชัดสิ่งที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงของมันทั้งภายในและภายนอกทั้งรูปและนามแรกๆอาจจะต้องพาจิตให้หัดพิจารณาบ้างพอเป็นแนวทางพอจิตเข้าใจแล้วคราวนี้อะไรมากระทบจิตเขาจะดำเนินการปฏิบัติของเขาเอง เราเป็นคนดูเฉยๆเท่านั้นไม่ยากหรอกครับถามอยากจะรบกวนท่านช่วยขยายความตอนที่จิตพิจารณามูลสุนักสักนิดได้ไหมครับ ตรงที่จิตพิจารณามูลสุนัขที่น่ารังเกียจนั้นแทนที่จิตจะมองมูลสุนัข ก, กองนั้นทั้งกองมันกลับเข้าไปจําแนกมูลกองนั้นเป็นรูปหรือสีที่เห็นด้วยตาสีของมูลสุนัข ก, กับสีอื่นๆที่ตาเห็นก็ล้วนแต่เป็นสีอย่างเดียวกันทั้งสิ่งสวยงามและไม่สวยงามมันก็สักว่าสีที่ตาเห็นเท่านั้นกลิ่นที่ว่าเหม็นก็สักว่ากลิ่นที่มากระทบจมูก ตัวกลิ่นเองมันไม่บอกหรอกว่ามันเหม็นหรือหอมมันก็กลิ่นด้วยกันทั้งนั้นที่เหลืออยู่ก็คือกอนธาตุซึ่งก็คือธาตุปกติธรรมดานั่นเองพอธาตุน้ำระเหยไปเหลือแต่ธาตุดินแห้งๆมันก็เหมือนดินธรรมดานั่นเองอันนี้ไม่ได้แยกธาตุตามแนวอภิธรรมนะครับแต่แยกตามที่ตาเห็น จิตพิจารณาจำแนกมูลสุนักนั้นออกเป็นรูปกลิ่นและเป็นธาตุไม่ได้พิจารณารสและสัมผัสเข้าใจว่าจิตไม่เคยรู้รสมูลสุนักและไม่คิดจะกินมูลสุนักมันจึงไม่ได้พิจารณารสสิ่งเหล่านี้จิตมันดำเนินไปได้เองครับถ้าเรารู้จักคุ้นชินการปฏิบัติมาระดับหนึ่งคือแทนที่มันจะมองอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันเดียว มันกลับรู้จักแยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกเป็นส่วนๆพอแยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรน่ารังเกียจหรือน่ายินดีแต่ถ้าสิ่งต่างๆถูกหมายรู้รวมๆกันแล้วในวงเล็บมีคณะสัญญาวงเล็บปิดมันก็มีสิ่งที่น่ารังเกียจและน่ายินดีขึ้นมา ผมสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาครับว่าเราควรจะพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาครับเรื่องการพิจารณานั้นมันมีสองระดับครับระดับแรกเป็นขั้นที่เราจงใจพิจารณาเป็นการน้อมนึกเอาเช่นน้อมนึกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นไตร ล, ลักษ หรือพิจารณาลงไปที่สิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นไตรลักษณ์ขั้นนี้เป็นอุบายวิธีอบรมจิตให้รู้จักวางเสี้ยบ้างชั่วขณะเพื่อรวมสงบเข้ามาภายในในวงเล็บเป็นการทำสมถะวงเล็บปิดเมื่อจิตรวมลงแล้วหากจิตพอใจจะสงบมันจะไปสงบตัวอยู่เฉยๆเป็นการพักผ่อนในภูมิของสมถะหรือมันอาจจะดาเนินวิปัสสนา อันเป็นระดับถัดไปก็ได้แต่หากมันรวมแล้วไปค้างขานิ่งเฉลยอยู่เพียงนั้นทุกทีไม่ใช่การพักผ่อนในภูมิสมถะเป็นครั้งคราวก็อาจจะต้องพิจารณาจิตและอารมณ์ภายในต่อไปอีกเพื่อไม่ให้ไปติดอยู่เพียงแค่นั้นระดับที่สองเป็นการดำเนินของจิตที่รวมลงเป็นสัมมาสมาธิแล้วคือจิตเขาจะพิจารณาแยากรูปนาม หรืออารมณ์ที่จิตไปรู้ไปเห็นโดยอัตโนมัติเหมือนที่จิตผมวิ่งออกไปพิจารณามูลสุนักจนกระจายออกเป็นอนัตตาหรือบางครั้งจิตก็รู้อารมณ์ภายในพิจารณายยกแยะอารมณ์ภายในลงเป็นไตรลักษ์ขอย้าตรงที่ว่าจิตเขาดำเนินเองไม่ใช่เราจงใจพิจารณาหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยท่านจิงสอนว่า วิปัสสนาแท้เริ่มที่หมดความจงใจในขั้นนี้เราไม่สามารถจงใจกระทำอะไรต่อไปได้หรอกครับ ถถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเกิดอีกแล้วอยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องเราไม่อยากเกิดหรืออยากนิพพานนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ลองสังเกตจิตดูบ้างหรือยังครับว่าเขาอยากจะเกิดอีกหรืออยากนิพพานกันแน่เพราะถ้าจิตยังไม่หายอยาก จิตเขาก็ยังจะเกิดอีกไม่มีใครไปห้ามเขาได้เลยและจิตเขาไม่สนองความอยากของเราแน่มีแต่เรานี่แหละจะเบื่อเบื่ออยากๆกเป็นคราวคราวไปที่เขียนนั้นก็ต้องการบอกพวกเราว่าเรากับจิตเป็นคนละส่วนกันเพราะว่าจิตไม่ใช่เราถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็พอจะหาทางพ้นจากความเกิดได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้แต่ถ้ายังเห็นว่า จิตเป็นเราอยู่อันนี้ก็ต้องเหนื่อยอีกนานครับในการท่องเที่ยวในสังสารวัตนี้การที่พวกเราพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วไม่อยากเกิดอีกนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีครับแต่เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องภาคเพียรกันให้เต็มกำลังเพราะจะหาอะไรสอนยากเท่าจิตตนเองไม่มีอีกแล้วครับ วันนี้ผมได้สังเกตจิตใจตัวเองและพบว่าในแต่ละวันนั้นกุศลจิตคือจิตอันไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำนั้นไม่ได้เกิดกันง่ายๆเลยครับเมื่อกุศลจิตเกิดยากจึงทำให้คนที่ไปเกิดในสุขติภูมิมีน้อยใช่ไหมครับคุณเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตจิตตนเอง ส่วนมากชาวโลกเขาคิดว่าเขามีความรู้ตัวเพราะถ้าไม่รู้ตัวก็คงอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องหรือขับรถไม่ได้และน้อยคนนักที่จะรู้ว่าจิตของตนถูกกิเลสครอบงำในความเป็นจริงแล้วโอกาสที่เราจะมีกุศลจิตจริงๆนั้นยากมากเพราะถึงไม่มีราคะและโทสะก็ยังมีโมหะยืนพื้นอยู่เสมออันได้แก่ความหลงหลงไม่รู้เท่าทานจิตใจตนเอง แม้ในขณะที่กำลังทำบุญก็ยังทำกันด้วยกิเลสเป็นส่วนมากคือเมื่อทาทานเช่นจะบริจาคเงินสร้างเจดีย์ก็ทำด้วยความโลภเช่นหวังความร่ำรวยหรืออยากหายเจ็บไข้หรืออยากได้เกียรติยศจะรักษาศีลก็รักษาแบบทรมานตนเองบ้างรักษาเอาความภูมิใจบ้างรักษาโดยเชื่อเอาว่าจะทาให้รู้ธรรมบ้างแม้จะนั่งสมาธิ ก็นั่งจมแช่ราคะและโมหะหรือแม้จะเจริญปัญญาวิปัสนาก็ยังหลงส่งจิตไปเพ่งจ้องอารมณ์บ้างเคลื่อนหลงตามอารมณ์บ้างคนเราไม่รู้ว่ากิเลสนั้นมีผลเผ็ดร้อนเพียงใดโดยเฉพาะโมหะนั้นเป็นภัยมืดจริงๆเรามักจะเห็นว่าโทสะและราคะหยาบๆมีโทษมากเช่นมีโทสะแล้วไปฆ่าเขาตายหรือมีราคะ แล้วไปข่มขืนเขาแต่น้อยคนที่จะทราบว่าโมหะนั้นเป็นภัยที่น่ากลัวมากเวลาผมเห็นคนนั่งเมอลอยหลงไปเรื่อยๆในความคิดของตนเองหรือลุ่มหลงมัวเมาไม่รู้ตัวไปกับความสุขแบบลมๆแรงๆเห็นแล้วสงสารมากครับใครที่สังเกตจิตได้ลองดูสัตว์ต่างๆเช่นสุนัขเป็นต้นมันมีภาวะจิตแบบเดียวกันนั่นเอง คนเราสั่งสมสิ่งใดไว้ก็ได้สิ่งนั้นสังสารวัตรจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับผู้ที่รู้ทันเท่าว่ามันเป็นอันตรายแต่ไม่น่ากลัวสำหรับผู้ที่กําลังหลงอยู่ ขอถามต่อเนื่องจากคำตอบข้างบนนะครับว่าโมหะน่ากลัวอย่างไงครับขออนุญาตไม่กล่าวตามตำรานะครับเพราะคงหาอ่านกันเองได้ว่าโมหะคืออะไรมีโทษอย่างไรแต่ขอกล่าวตามที่ปฏิบัติมาอย่างงูงูปลาปลาถ้อยคำสำนวนหากไม่ตรงตำราก็ต้องขออภัยครับ โมหะหรือกิเลสใดๆก็ตามล้วนแต่เป็นความเศร้าหมองของจิตโมหะหยาบๆเช่นความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีความหลงผิดอันนี้ก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แน่ๆเพราะทำผิดอะไรก็ได้ทั้งสิน้นที่ยาที่สุดก็คือไม่รู้ว่าผิดเสียด้วยจึงหมดทางเยียวยาแก้ไขหรือแก้ไขได้ยากมากโมหะที่ละเอียดขึ้นมาเช่น ความเหม่อหลงไหลไปในโลกของความคิดอันนี้นำพบสัตว์เดรัจฉานมาให้ได้ง่ายๆทีเดียวโมหะที่ละเอียดยิ่งขึ้นอีกเป็นความลังเลสงสัยความซึมเศาเป็นตัวปิดกั้นการเจริญสมาธิโมหะที่ละเอียดเข้ามาอีกคือการที่จิตไม่รู้เท่าทันสภาพธรรมที่กำลังปรากฏหลงไปกับอารมณ์ที่ปรากฏก็เป็นตัวปิดกั้นการเจริญวิปัสสนา โมหะที่ละเอียดสุดขีดเป็นความผ่องใสของจิตเป็นตัวกระตุ้นให้จิตทำงานสร้างพบต่อไปอีกพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าโทษะมีโทษมากแต่ละง่ายราคะมีโทษน้อยในวงเล็บหมายถึงมีโทษน้อยกว่าแต่ละยากในวงเล็บหมายถึงละยากกว่าแต่โมหะมีโทษมากและละยากที่สุด ที่โมหะละยากที่สุดก็เพราะรู้ทันยากที่สุดครับไม่เหมือนราคะและโทสะมันเป็นอาการที่หวือหวาของจิตซึ่งรู้ทันง่ายถาม อยากทราบบทสวดก่อนนอนและบทสวดเกี่ยวกับการป้องกันภัยและผีครับก่อนนอนสวดมนต์ไว้จิตใจจะได้สงบสบายครับสาหรับการแผ่เมตตาก็เป็นการแสดงความเป็นมิตรกับสัตว์ต่างๆถ้าเขาทราบและเขาเป็นมิตรด้วยเขาก็ไม่รุกรานเอา ส่วนบทสวดที่จะป้องกันภัยหรือป้องกันผีจริงๆอย่างเด็ดขาดนั้นอย่าไปจริงจังเลยครับสิ่งที่จะป้องกันภัยให้เราได้ดีที่สุดก็คือสติปัญญาและความรอบคอบของเราเองพระป่าเวลาท่านออกป่านั้นท่านไม่ได้เอาตัวรอดเพราะ บ, บทสวดอะไรนักแต่ท่านเอาตัวรอดมาได้เพราะสติปัญญาและความรอบคอบช่างสังเกตเช่นอย่าไปนอนขวางด่านหรือทางเดินของสัตว์ จะเดินผ่านขโขงช้างให้อ้อมลงใต้ลมและต้องรู้จักธรรมชาตินิสัยของสัตว์ด้วยพวกเราจะนอนให้สบายก็ดูปิดประตูหน้าต่างให้ดีตรวจดูฟืนไฟที่จะเป็นอันตรายแล้วระวังป้องกันเสียสวดมนต์อย่างเดียวอาจจะถูกไฟคลอกได้หรือจะขับรถก็ต้องมีสติไว้ถึงจะสวดมนต์แต่ขาดสติก็อาจขับรถตกถนนได้ สำหรับการป้องกันผีนั้นขอเรียนว่าผีไม่กลัวบทสวดมนต์ผีบางตนสวดเองก็เป็นเหมือนกันและผีไม่กลัวพระพุทธรูปในพระพุทธรูปบางองค์มีผีอาศัยอยู่ด้วยซ้ำไปเพราะผู้สร้างเขาผูกพันอยู่สิ่งที่ผีกลัวคือสติสมาธิและความผ่องใสของจิตของเราเองเพราะผีที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาจะเคารพเลื่อมใส ส่วนผีเกเรกำลังจิตพานสู้กำลังจิตที่สงบผ่องใสไม่ได้สรุปแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาไว้เถอะครับมีประโยชน์แน่แล้วก็ฝึกสติสัมปชัญญะฝึกความละเอียดรอบครอบและฝึกการใช้ปัญญาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างนี้จึงจะป้องกันภัยได้จริงแต่ก็ไม่เสมอไปทักกรรมตัดรอนเอา แล้วผีจริงๆนี่สามารถทำอันตรายคนได้หรือเปล่าครับแถมคำถามอีกนิดหนึ่งว่าคุณใสในปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าเรื่องผีหักคอคนจริงๆผมยังไม่เคยพบเลยแต่ผีบางตนเมื่อเป็นคนฝึกสมาธิมาก็มีกำลังจิตมากเหมือนกันเมตตาจึงเป็นสิ่งป้องกันตัวที่ดีครับ สำหรับเรื่องคุณใส่นั้นมันยังมีอยู่ในบางพื้นที่ครับแถบสุรินนั้นยังเห็นเขาเล่นกันอยู่เรื่องของพลังจิตนั้นมันทำงานได้หลายอย่างครับคุณใส่นั้นจริงๆเป็นเรื่องของการใช้พลังจิตบังคับวัตถุให้เคลื่อนที่และเรื่องการใช้ยาพิษต่างๆส่วนที่เป็นเรื่องของพลังจิตเขาจะสู้สัมมาสมาธิไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องยาพิษเป็นคนละประเด็นกันดังนั้น ถึงปฏิบัติเก่งอย่างไรก็ต้องเจริญเมตตาไว้อย่าไปมีเรื่องกับคนอื่นจะปลอดภัยกว่าครับบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่22อ่านโดยโจโฉหรืออนุสร์ปรีโสภาน ติดตามงานทั้งหมดของหลวงพ่อปรามวดปาโมวดโชว์ได้ที่เว็บไซต์ www.wimuti.net w w i m u t i n e t ม า, าลักแหล่งพักทิ้งแอบเร็นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงลัปลาใจว่ามีรู้สิ้นแต่แปลพันทินทั้งสุดชา ช่วยนำสู่แด น, น่วลานิรันดร์กันด